สมาธิภาวนาสำหรับนักศึกษาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอมืพอ่พรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความพาสุขทุกประการความเจริญในสิ้นในธรรมในจิตในใจจงบังเกิดมีจะเราท่านทั้งหลายเหนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน ในขะนี้วันนี้จะขอพูดในหัวข้อเรื่องง่ายที่จะทำความเข้าใจก็คือเรื่องสมาธิภาวนาสำหรับนิสิตนักศึกษา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 ยมเสียสระอารมณ์คือความกำหนัดความเพลิดเพลินความสนุกสนานตามใจของตนเองในบ้านในครอบครัวอย่า ง, งโลกโลกเพื่อนฝูงเขาคงสนุกสนานกับเพนถกไปถึงไหนกันหมดแล้วแต่พวกเราไม่ไปเรากลับหันหนา้าเข้าวัดวัดไม่ใช่วัดธรรมดา วัดป่านอนอยู่ในกระท่อมกินข้าววันละครั้งเดียวโยกันอย่างถ้าจะพูดแบบคนสมัยนี้เขาเรียกว่าโยยังอดๆเด็กยากทุกๆเด็กยากแต่สำหรับพวกเราคงไม่เข้าใจอย่างนั้นที่เราก็มาฝึกทำสมาธิภาวนากันนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เราจะพูดถึง เรสมาธิภาวนาสาหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษานั้นเราหมายความลึกลกไปถึงนักศึกษาชีวิตนักศึกษาจิตนักศึกษาใจอาจจะเป็นนักเรียนแก่ก็ได้ไม่หนุ่มไม่สาวอาจจะห้วงงอกแล้วก็ได้แต่ว่าเรากพกําลังอยู่ในขั้นเริ่มเป็นนักศึกษาคือเพิ่งจะเริ่มฝึกเริ่มทำโด ปัญหามันก็เกิดมีขึ้นว่าให้เรื่องสมาธิภาวนา ม, มันเป็นเรื่องหนามเ ร, รมื่องจิตใจถ้าเราไปเรียนหนังสือปีหนึ่งเราก็ ừ, เรียนครบหลักสูตรครบเทอมแล้วก็ไปสอบปีหนึ่งวัดผลถ้ามีความรู้ตามหลักสูตรที่ก็วางเป็นกติกาให้สิกดเป็ น, ปน ừ, ระเบียบอะไรนะั้นเราเรียนแล้วเราสอบได้เปอร์เซ็นต์อย่างน้อยห้าสิบ อกเจ็ิบอย่างนี้เราก็ถือว่าสอบได้ผ่านชั้นเรียนไปก้าวขึ้นชั้นสูงกันต่อไปไม่ว่าจะทำอะไรทำไร่ปีหนึ่งก็ได้เก็บดอกเก็บพลนําปีหนึ่งก็ได้เก็บเกี้ยวทำอะไรใช่ไหมระยะาหนึ่งปีแต่การปฏิบัติทา ง, างสมาธิภาวนา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 ที่เคยโกรธง่ายเตียดง่ายกลัวง่ายรักง่ายล่ะเนี่ยมันโกรธเววขึええ้นกว่าเต่ากลัวเก่งกว่าเต่าเตียดยิ่งกว่าเต่ารักยิ่งกว่าเต่าลุ่มหลงยิ่งกว่าเต่าไหมหรือว่ามันรักยากโกรธยากเตียดยากกลัวยากลุ่มหลงยากแล้วมันก็อ่อนตัวลงความยึดมั่นถือมันตัว a t t a c m e d attached ใในตัว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 บางคนโล่เข้าหมดกันไปเลยอะไรพวกนี้ความโกรกความกลัวความเกลียดความรักการอารมณ์อะไรต่างๆเรานี้แหละจะรู้เองเพราะฉะนั้นผลของมันจึงจะต้องรู้ด้วยตนเองในเจตนายใจที่นี่มันก็มีปัญหาพอฝึกก็ไปมันก็โลภโลภอยากจะเป็นพระอริยเจ้าเดี๋ยวนี้อยากจะเก่งเดี๋ยวนี้อยากจะเป็นผู้มีหูทิพตาทิพย์เป็นผู้เห็นเรืเห็นหวยอะไรพวกนี้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 รู้รอบรู้ยี่ขึ้นครั้งแรกเราก็เพียงแต่กำหนดจิตให้มันสงบถึงแม้มันไม่สงบเราก็กำหนดรู้ว่ามันไม่สงบมันสงบเราก็รู้มันวุ่นวายเราก็รู้มันรักเราก็รู้มันโกรธก็รู้มันเกลียดก็รู้มันชังก็รู้มันเกิดความกาหนับทางเพศเป็นเตอร์เทนเมนขึ้นมาเราก็รู้ วันนี้คือธรรมชาตการกําหนดรู้อย่างนี้ทุกขณะทุกขณะทุกขณะอย่างนี้อย่างนี้เดียววันเริ่มเริ่มจะมีปริญญาภาษาบาลีว่ายาตะปริญญากําหนดรู้กําหนดรู้มันคิดก็รู้ว่ามันคิดหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นได้รหตาเห็นรูกรู้ว่ามันเห็นพอเห็นปั๊บรู้ว่าสวยแล้วก็อยากได้ก็รู้ว่ามันอยากได้ แล้วก็ไม่ไปช่วยมันอยากได้ดอกนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปต่อต้านมันว่าแกอย่าคิดแกอย่าไปชอบแกอย่าไปเกลียดเราไม่ต่อต้านช่องนี้ปล่อยให้มันรักให้มันโกรธให้มันเกลียดให้มันเครียดให้มันช่างไม่ต่อต้านมันแต่จะไม่สนับสนุนคือไม่ช่วยมันรักไม่ช่วยมันโกรธไม่ช่วยมันเกลียดไม่ช่วยมันเกรียดมันชัางไม่ช่วยให้มันเกิดความกำหนัดมันกำหนัด้วกำหนัดไปอันนั้นเป็นอารมณ์ของธรรมชาติ ตามกดเองขงธรรมชาติฝ่ายตายฝ่ายฟิสิกส์พวกต่อมแลนดโปรเศตอะไรต่างๆฮอร์โมนของเพศมันเบ่งบานขึ้นมาสมมติเราเป็นคนหนุ่มคนสาวเมื่อ็ย่างมีความกำนังเผชิญหน้ากับตามอารมณ์อย่างเรียกเลียงไม่ได้แต่เราก็รู away. Away ้มันรู้มันแล้วก็ไม่ช่วยมันนะไม่ช่วยมันไม่ช่วยมันไม่โแย้งหามาให้มันแล้วก็ไม่ต่อต้านมันจะรู้มันเฉย เมื่อรู้เขา้านานเขา้ารู้ทุกเมือ่อทุกเมื่อเข่าก็จะเห็นความจริงอันหนึ่งว่ามันเป็นเองมันเป็นเองต้องรู้อยู่ทุกเมื่อนี่มันเลยซึมลงไปซึมลงไปโกรธมาครั้งหนึ่งก็รู้บันครั้งหนึ่งเกลียดมาครั้งหนึ่งก็รู้มันครั้งหนึ่งรักมาครั้งหนึ่งก็รู้บางครั้งหนึ่งกำหนัดทางเพศมาครั้งหนึ่งก็รู้บางครั้งหนึ่งกำนงงห น, กำนัดทั้งวันก็รู้มันทั้งวันอย่างนี้ภาษาบาลีเรียกว่า อภินยาหรูอยิ่งรูอยิ่งคือรู้ครั้งเดียวมันไม่ยิ่งรู้สองครั้งมันก็ยิ่งขึ้นสองครั้ง ร, ร, ร, sketches, รู้สามครั้งมันคิดว่ารู <sk> crisp, ้ยิ่งขึ้นสี่ห้าหกเจ็ดสิบเป็นร้อยเป็นพันมันกับหนัดมันรักมันเทียดมันตโตมันจังลูกอย่างนี้เรียกว่ารู้ยิ่งรู้ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำไหมว่าภาษาล่าเขาว่าตืิมขึ้นเรื่อยหัวเติมขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างนี้ภาษาบาลีใช้ คำว่าอภินายะรู้ยิ่งเมื่อรู้ยิ่งเข้าเพิ่มกันเลยเพิ่มกันเลยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกลายเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมรู้พร้อมเมื่อเป็นสัมโพธายะมันก็เกิดการรู้พร้อมไอการรู้พร้อมของมันเนี่ยมันได้ปริญญาเอกอันใหม่เรียกว่าตีเรนะปริญารญาแต่ว่าจะเป็นยังไ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 ยาตะปริญญาคำนั้นรู้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในที่สุดเมื่อเรารู้บมากๆมันกลายเป็นอัตโนมัติกลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาเป็นชาคราธรรมแม้แต่นอนหลับฝันว่าตนเองคิดอะไรก็รู้อยู่ในความฝันตนเองโกรธก็รู้อยู่ในความฝันตนเองเตียนในความฝันก็รู้จิตรู้ใจรู้อารมณ์ตนเองทุกเมื่ออย่างนี้เรียกว่ามันเจาะลงไปแล้ว เจาะลงไปรู้พร้อมเป็นนิเพทะคามินีเจาะแทงลงไปเจาะลงไปแล้วมันจะเกิดสัมโพธายะรู้พร้อมคิดปัรูปั๊คิดปรูปั๊คิดปรูปะมันรู้เองมันทีนี้พอเราได้ฝึกมานาะนนี่ตอนมันรู้เองเนี่ยมันแยได้ปริญญาตัวใหม่เรื่องขึ้นมาเรียกว่าตีระนปริญญาตีระนาปริญญากําหนด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 มันมีสามอันท่านั้นมาให้บันคิดอันหนึ่งมาจากอดีตเรียกว่าสัญญามาจากอดีตก็ดีมาจากความเคยชินพอเห็นเป้าก็รู้ว่าสวยเห็นเป๊าก็รู้ว่าใหม่สวยได้กินเป้าก็รู้ว่าหอมรู้ว่าเหม็นอันนี้เลยว่าสัญญาความสําคัญมันหมายจาได้หมายรู้หลังจากนั้นทาไมมาจากตัวนี้มันก็มาจากเวทนา คือความคิดจะเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดก็ตามที่พอใจแล้วไม่พอใจสองอันทั้งถ้าพอใจก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจเป็นทุกขเวทนามันก็ปรากฏพวดขึ้นมาโดยความพอใจแล้วก็ปูงแต่งต่อไปฉันจะเอาอย่างนั้นฉันจะทําจ่างนี้เป็นสังขารหรือนี่ฉะนั้นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาที่เรารู้บรรดับไปนั้นมันเกิดมาจากอุ้ยตกอิ้ยตกมีตัคือจิตที่มัน ชิ้นที่จะเอาขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวสาเร็จรูปควรจะเรียกเป็นภาษาเราว่าคอนเซปชันคอนเซปชันคอนเซป ช, ชันเนี่ยตัวเนี้ยคือคือความคิดรวบยอดที่มันสําเร็จรูปมันเคยเคยรู้เคยจําเคยอะไรมาจนไม่ต้องมาปรุงมาแต่งเหมือนอาหารสําเร็จรูปนั่นเหมือนเสื้อผ้าสําเร็จรูปไม่ต้องเอามาตัดมาวัดมากระมาเกณฑ์ใส่ปับ๊บเข้าไปเลยมันเป็นรูปร่างเป็นทรงเป็นกันตัวเวลนอะไรไปหมดแล้ว อันนี้ภาษาบาลีบอกวิตกความคิดที่สำเร็จรูปแล้วโดยไม่ต้องอาศัยปรุงแต่งจากอางอื่นดรืยอความเคยชินภาษาอังกฤษควรจะใช้กับว่าคอนเซปชันคอนเซปชันความคิดรวบยอดสำเร็จรูปและอีกความรู้สึกพอใจไม่พอใจภาษาบาลีบอกเวจิตที่เข้าไปสเวภเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นมาภาษาปรังบอก feeling แล้วอีกอันหนึ่งก็สัญญาความสําคัญมันม่นหมายจาด่าตมายรูปในอดีตจนถึงปัจจุบันจนดองหมักอยู่ในหัวใจเห็นป๊ั๊บปรูรัวสวยแล้วก็ต่อไปเป็นพอใจไม่พอใจเห็นตั๊บปรูรัวใหม่สวยพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเห็นได้ยินปั๊บปรูรัวเพาะไม่พอได้กินปั๊บปรูรัวเหม็นหรือหอมแล้วพอใจไม่พอใจโดยไม่ต้องไปไป <c oughs> พิจารณาเสก่อนว่าสวยไหมอันนี้ย ที่ตื่นตืนตัวอยู่นี่ไม่ใช่หลับนะภาษาบาลีว่าสัญญา perception รวมความแล้วเมื่อเรารู้ความคิดของเราที่เกิดขึ้นทุกเมือ่อไม่ช่วยมันไม่ต่อต้านมันทุกเมื่อเนี่ยเราก็รู้เป็นะเป็นตรีระณะเป็นญนะาตะปริญญากําหนดรู้ทุกเมือ่อแล้วในที่สุดมันเกิดอภินญญาญาโรยิ่งรู้ยิ่งรโรยิ่งรู้หยิง เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะมาเป็นซัมโพทายะรู้พร้อมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะอาการรู้พร้อมเฉพาะมันเกิดการที่นาในตัวของมันเองเพราะว่ามันเกิดอย่างนี้เองเราโดยเราไม่ได้คิดโดยเราไม่ได้ตั้งใจจะฟังจะดูจะเห็นและเบื้องหลังของมันก็มีสัญญาเวทนาวิโตโฟคอนเซปชั่นเพอร์เซปชั่นโฟร์ฟลลิ่งอะไรต่างๆพวกนี้มาเป็นส่วนประกอบเราก็เห็นแฟกเตอร์ส่วนประกอบของความคิดทางไลฟ์ เมื่อเห็นส่วนประกอบของความคิดทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยมันก็เลยทำให้เราได้ปริญญาตัวใหม่ที่เรียกว่าตีรณะนะปริญญาปริญญารู้ถึงกับพิจารณาในเองในตัวของมันเมื่อพิจารณาโอทั้งคอนเซปชันทั้งเปอร์เซปชันทั้ง f ิล l ิ n ง, ท, ง feeling, ทั้งสัญญาทั้งเวทนา ทั้งวิตกอารมณ์หล่าเนี่ยมันเกิดแล้วมันกระดับมันเกิดแล้วมันกระดับเกิดแล้วมันก็ดับไม่อยู่ตลอดไปเรียกว่าเป็นอนิจจังของก็นั้นไม่สามารถทนอยู่บภาพเก่าได้ถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยมันเรียกว่าเป็นทุกข์แล้กวก็าบังคับไม่ได้นั่นจึงไม่ใช่เราเราก็จึงไม่ใช่อันนั้นในที่สุดการพิณาอย่างนี้ละเอียดลงไปละเอียดมันก็เลยเห็นอนิจจังคู่ขังอนัตตาเห็นตถาคตาเห็นความเป็นเช่นนั้นเอง โดยไม่ใช้อำ น, นาจใครอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเหมือนเรามาพบกันมากๆอยู่ด้วยกันนั่งทําสมาธิด้วยกันใต้ร่มไม้บนลานกัะลาเวงเยอะๆเนี่ยเพราะเหตุปัจจัยให้เราได้มารวมกันเราจึงต้องจากกันบันหนึ่งอีกหน่อก็จะกลับบ้านใครบ้านมันแล้วก็เลยมีอาจารพัดพาจากกันถ้าหาเราไม่ได้พบกันเลยแลวเราไม่จบจากกันเลยเพราะไม่ได้พบอันนี้เรียกว่าอีทัพปัจิยะตา เพราะเสียงมืหูจึงได้ยินพเพราะหูมือจึงได้ยินเสียงเพราะเสียงมีอจึงมาถึงหูเพราะคนไม่ตายมันจึงคิดเพราะมีความคิดอยู่จึงมีจิตมีใจอยู่อย่างนี้เป็นอิทธิป ย, ายาตาอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเองไม่ผิดแปลกไปจากนั้นเรียกวัฏถตาอย่างนั้ น, เ, าาา น, นเองเมือเ่อไปเช่นนี้เก็ดมันรู้ของมันเองที่น้าเองมือนไม่เข้าไปยึดมั่นเถอดมันในทีาา่สกรโกามันก็ไม่กอดมันรู้ที่รักมันก็ไม่รักมันที่เติ อารมณ์ทางเพศปับ๊บมึงรู้ปับ๊บมันก็ทิ้งปับ๊บมึงก็ทิ้งเอาไปเอามานานเขา้านานเขา้ามันไม่มีอาหารกิเลนแล้วนี่ไม่มีอาหารมาให้โกรก็ไม่โกรกมาให้รักก็ไม่รักมาให้เกลี ย, ก, ก, ยก็ไม่เกลกมาให้ช่างก็ไม่ช่างมาให้เกิดอารมณ์ทางเพศอะไรมันก็ไม่เป็นถูควบคุมอย่างทียึดด้วยสติในที่สุดกิเลนแล้วนี้ผอมตายไม่ไปช่วยมันมันไม่มีอาหารเลี้ยงมันก็เลยจอยลงจอยลงผอมลงผอมลงตายบางอันหยาบหยาบก็ หมดไปเรยแต่อย่างต่างๆบางอันกลางๆหมดไปลึกไปเรื่อยแต่อย่างละเอียดบางอันก็หมดไปอันมีน้อยหมดไปอันมีมากก่อน้อยลงอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้ปริญญาปะหานะปริญญาคือรู้มันจนละจะไม่เป็นเจ้าของที่มาเป็นความทุกข์อะไรเลยนี่ท่านอังไรลองคิดดูปริญญาที่เราจะได้แล้วเราก็ปล่อยวางไม่เป็นเจ้าของ ไม่เป็นเจ้าของทั้งความพอใจและไม่พอใจเอาอะไรมาเป็นความทุกข์ในจิตในใจจิตใจก็จะมีแต่ความสดชื่นจำใสตามธรรมชาติของจิตดัด้งเดิมที่มันไม่เคยเศร้าไม่เคยมองก็หลังมามันจึงเศร้ามองข้อเหตุแห่งอุปกิเลส ท, ทั้งหลายนั้นเป็นอย่างเนี้เพราะฉะนั้นผลของการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาที่เราได้มาพร้อมเพียงกันมาทํากันอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีได้เป็นเทิม เท่านั้นวันจบหลักสูตรเท่านั้นเดินจบหลักสูตรเท่านั้นปีจบหลักสูตรจึงจะสอบได้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีกำหนดเรียว่าอาคาลิโกโปฏิบัตินี่กำหนดเป็นเกณฑ์เอาเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเท่านั้นวันนะบางคนง่ายง่ายจนเกือบจะไม่ได้พยายามอะไรเลยเพียงแต่โคบาอาจารย์เล่าให้ฟังไปทําตามนั้นมันก็ มองเห็นตามนั้นจริงๆจิตใจมันก็เลยสูงขึ้นสูงขึ้นมีสัมโพธายะมีอภิญญาญะเกิดสัมโพธายะในที่สุดมันก็เลยนิพพานายะสังวัตตินิพพานคือดับลงซึ่งความทุกข์กิเลสที่มันทำให้เกิดทุกข์เราลูกพวกคอ c เซ t i o n พวกเพอร์เซปชัพวกฟิ e l ิ n g ต่างๆไม่มีแอดแ n t ในสิ่งนี้มันก็ดับลงเปนน็นนิพพานนิพพานนิพพานนิพพานไม่ใช่ตาย ยาเข้าใจว่านิ้ผ่านคือตายถ้านิพพานคือตายพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราตายเชยงว่าคําสอนของท่านนั้นเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งอภินญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พรอมนิพพานายะสังวรติเป็นไปเพื่อนิพพานถ้านิพพานแใจว่าตายก็ไปว่าเป็นไปเพื่อตายไม่ใช่ต้องไปเรียนด้วยว่าเพื่อปฏิบัติธรรมทาไหมถ้าเพียงจะเป็นไปเพื่อตายตายคือนิพพานก็ขู่คอสตายง่ายเหลือเกินเรียนเพราะั่นเราต้องเข้าใจ ทีนี้เราพูดถึงโครงสร้างผลของมันการก้าวหน้าของมันก้าวๆอย่างนี้ก่อนพูดกันไปทางก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทําแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็มาซอยลงมาที่นี่ว่าเราจะทําอย่างไรให้เกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือเทคนิคเทคนิคเทคนิควิธีการที่เราจะทําให้มันเกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นมาเราจะทําอย่างไร นี่เราพูดกันแบบนักศึกษาในสิสธิ์นักศึกษ า, กษ า, กษาที่มีปัญญาพื้นฐานที่จะเข้าใจกันง่ายขึ้นก็เลยไม่ต้องเสียเวลาเราพูดผลของมันซ ก, ก่อนแล้วก็มาสะท้อนถึงเหตุแบบ ว, วัตอยาัศว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นน อ, อย่างนี้ยแะต้องทําอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้ที่ทาอย่างไงมันจึงจะเป็นสัมโพธายะทําอย่างไงจึงจะเป็นอภิญญายะทำอย่างไงจึงจะเป็นสัมโพธายะทำอย่างไงจึงเป็นนิพพานายะ ทำยังไงจึงจะรู right. Right. Right. Right. Time, ้ยิ่งทํำยังไงจึงจะรู้พ้อมพร้อมทํายังไงจึงจะเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อวิราคาร์นิโลทานิโลโทนิพานังเพื่อความจางขายเบื่อไม่ขายกํำนัดดับลงสลัดขึ้นจะทํำยังไงเราว่าทั้งผลมันแล้วเราก็มาวาดทั้งเทศเทขอมันก็คือเดี๋ยวนี้เรากําลังจะพูดกันในเรื่องสมาธิภาวนาความจริงนั่นเทศเพื่อจะทําให้เกิด ความรู้สึกปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นพ้นไปจากความทุกข์ทจริงแล้วมันไม่ใช่มีแต่การมานั่งสมาธิทำสมาธิภาวนามันมีทั้งห้าทางมีทั้งห้าทางแต่เดีนี้เราจะเอากันหมดทุกทางเราเกิดมาตามหลังพระพุทธเจ้าเราเกิดมาตามหลังท่านเราก็เลยจะมาพูดว่าเอามันหมดทั้งห้าทางห้าทางในหนึ่งในขณะที่ฟัง ฟังแล้วก็มีความเข้าใจส่งจิตใจตามถ้อยคําที่ครูบาอาจารย์ที่พระศาสตาดาหรือว่าอืมพระภิสุผู้อยู่ในฐานะครูฐานะศาสตาดาท่านแสดงให้ฟังตั้งต่ฟังโดยไม่เครียดแขงสงสังสยหลังจากนั้นก็ส่งจิตใจตามพิณนายโยนิสโสมันจิตการก็เห็นจริงตามนั้นในที่สุดก็เกิดปีที่ยิมโอ้อินใจฟ้ามอดสดชื่นแจ่มใสรื่นงลมหลังจากนั้นก็เกิด ปัศธิปสศธิคือกายก็สงบจิตสงบแล้วมันก็เกิดความสุขอยู่ในใจสุขชนิดที่ซื้อเดินเงินไม่ได้แต่เป็นความสุขอะไรแบบหนึ่งเมื่อเกิดความสุขนี้สมาธิมันก็ตามมาโดยธรรมชาติของมันหลังจากนั้นก็เห็นสิ่งต่ายตามปเป็นจริงเพราะจิตมันไม่บ็อกแวกเหมือนน้ำที่เหมือนใสแล้วก็เลยเห็นทุกอย่างในนะ้นเรียกว่ารู้ได้เพราฟังต่อมาก็รู้ได้เพรคิด ฟังแล้วก็ยังเข้าใจอยู่แต่ยังไม่แจ้งแจงเอาไปคิดอย่างมีระบบระเบียบสืบค้นจนถึงต้นเขาสืบสารจนถึงเหตุผลจนตลอดสายแยกมาวิเคราะห์วิจัยกันให้ละเอียดแล้วใ จ, ใจก็จะเห็นตามเป็นจริงตามนั้นพลอยปล่อยวางจางคลายดับลงอันที่สองส่วนอันที่สามนั้นพูดคือหลังยากฟังยังไม่ได้ผลคิดยังไม่ระเบียบไม่ได้ผลที่นี่เอามา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 ดูจิตที่มีสติสมาธิมันก็เลยพล่องพล่องออกมาสิ่งที่ยังไม่เคยคิดยังไม่เคยพบยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้ยินใครพูดให้ฟังเมื่อเข้าใจมีอันที่สามอันที่สีหลังจากฟังแล้วก็ยังไม่ได้พ้นแต่จะจําได้โจคิดแล้วก็ยังไม่ทะลุปองยังไม่แตกยังไม่ถึงกับปล่อยวางจางคายเมื่อน่ายคายกําหนัดได้เอามาสอนคนอื่นก็ได้ไปลำเล็งตนเองก็ยังไม่ชัดเจน ที่นี่เอามาสอนตอนเองพูดให้คนอื่นฟังก็ยังไม่พอที่นี่มาพูดให้ตนเองฟังอย่างที่เราสวดมนต์สาธยายเราสวดมนต์แปลมาเราพิจารณาไปด้วยไม่ได้สวดเร็วๆร้องเป็นเพลงมาดไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราทำโมกุโลกปัปตนาตถาทาริคาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงทำจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วเราพูดช้าๆไปพิจารณาไปอ้ามันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าเออทำ ทรงไวซึ่งผู้ทรงทำไม่ใช่ธรรมาดาซะแล้วมันจะต้องมีสองทรงในคํานี้ก่อนที่ทำจะมาทรงเราเราจะต้องหัดทรงธรงงรมก่อนที่เราจะมีสติเราจะต้องหัดมีสติทุกเมื่อเมื่อเรามีทุกเมื่อแล้วสตินั้นก็จะซึมซาบกลายเป็นอัตโนมัติสลับลงไปสตินั้นก็จะทรงไว้ในใจิตในใจเออแล้วเราก็จะไม่หลงไม่ลืมแล้วเราก็จะมีปัญญามีอภินัยยะเพราะมีสติอยู่ทุกเมื่อแล้วจึงจะเกิดสัมโฟทายะแล้วมันก็จะเกิดนิพพานนะยะสังกัตติ เอาไ ง, ไง่ายๆแบบหนึฟังเข้าใจได้ในขณะฟังสองขณะคิดสามขณะพูดให้คนอื่นฟังสีง่ขณะพูดให้ตนเองฟังไม่ได้พูดให้คนอื่นคือสวดมนต์สาธยายทบทวนคนราะื่อการทําว่าสวดมนต์จะมีประโยชน์มากไม่เบาเลยแต่ที่เราสวดทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันที่วัดของเราเนี่ยเราสวดเจ้าพระพิณาแปลไปสุดต่างๆ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 เพ่งจิตให้เป็นสมาธิเมือ่อจิตเป็นสมาธิไม่กวัดแกวง้งไม่วันไว้กายไม่วันไว้จิตใจไม่พุ่นวายแล้วแล้วลเอาจิตชนิดที่มันไม่พุ่นวายไม่วันไว้ที่เอามาเพ่งพิจารณาดูเรื่องราวอันเป็นความจริงของธรรมชาติเรื่องอนิจจงเรื่องทุกขังอนัตตาเห็นเจอจ่าในจิตในใจจงจิตใจหยุดที่จะวิ่งว่นไปตามอารมณ์เหล่านั้นเมื่อหยุดแล้วยังไม่พอถอยหลังออกมา แล้วก็สลัดขว้างถึ้งนั้นที่เรียกว่าวิลาคายุดถอยหลังออกมานิโลธาดับไปปฏินิสคาสลัดขึ้นหมายความว่าโอกาสสุดท้ายในจำนวนห้าอันเนี้ยสี่อันเราใช้ไม่ได้ผลเราก็เลยเอาตัวสุดท้ายคือมาทำสิตให้เป็นสมาธิแล้วจึงเอามาเพ่ง พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเดี๋ยนี้เราทํากันอยู่ทั้งห้าอย่างทํากันอยู่ทั้งห้าอย่างคือฟังกูบาอาจารย์ก่อฟังคิดก่อคิดแล้วตนเองก่อสวดมนต์สาสยายซ้อนใจตนเองมีโอกาสก่อสนธนาธรรมการพูดในเพื่อนฟังบ้างสี่อันนี้ห้าอันเกาะทำสมาธิวันละ 4, สี่ชั่วโมงดังที่เราทํากันเดี๋เนี้ทำทั้งหลายไม่อยากเก่งมันก็ต้องเก่งค่าทําอย่างนี้เก่งนน่แน่ เมื่อเรากินข้าวคุณไม่ต้องป ร, ปรารถนาอิ่มมือะอิ่มนะฉันกินไปเรื่อยๆแต่ท้องจะอิ่มนะไม่ได้<ะ>กินก็ไปคำหนึ่งสองคำสามคำสี่คำยี่สิบคำมันก็อิ่มแค่นั้นคนะืนกินเข้าไปอีกก็ไม่ได้โดยไม่ต้องปรารถนาความอิ่มแม้จะไหวบวมเอาไว้เทวดาฟ้าดินจงช่วยให้ข้าพเจ้ากินได้สักกระสอบหนึ่งจังอิ่มนะก็ไม่ได้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันสร้างปัจจัยให้มันพ่อแม่เป็นเพียงพอความเจริญก็เกิดขึ้นถ้าปัจจัยให้เกิดความเจริญทั้งจิต ถ้าปัจจัยให้เกิดความเสื่อมมันก็เสื่อมเท่านั้นเพราะนั้นที่เราต้องเืิดมาทําสมาธิกันตั้งแต่ตีสองตีสามทุกวันมานั่งสมาธิกันเยน็ยนเยน็นวันละสองชั่วโมงเย็นสองชั่วโมงเชา้าวันละสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นชนิทิลว่าพาวีกาเปโหดีตตาจะทําให้มากจะเลื่อให้มากนั่นเองแล้วมันก็จะเก่งเองไม่ต้องไม่ต้องไปปาถนามันท่านทั้งหลายคิดว่าจะอย่างนี้ยังไงก็ ไม่เจริญหรอกเงินอย่าได้คิดละทีเนี้ยถ้าทําอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยมันทนอยู่ไม่ได้มันยำเจริญเหมือนเราปลูกต้นไม้ใส่น้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินอย่างสม่ําเสมอมันจ็จะเจริญอ่ะเป็นหน้าที่ของมันแต่ถ้าหากเราใจร้อนหน่อยมึงทาไมไม่รีบเจริญก็เป็นดึงมันขึ้นมาให้มันยาวๆมันก็ตายใจร้อนมากเอาปุ๋ยไปใส่วันละกิโลกิโลมันเลยตายเร็วๆเข้าความเยี้นในการทํำสมาธิภาวนานั้นถ้าใครไปตัดฟัน เขาไปใส่คําเมนเกลียวซีเรียสเข้าวไม่มีโอกาสที่จะเป็นบ้าก็หมดปธากันไปเลยบอกไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นกําหนดกดเกณฑ์ลิมิตไม่ได้ว่าจะเอากี่วันกี่เดือนกี่ปีทําไปเรื่อยทําเหมือนทําเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษาหมดจนคุ้นเคยนึกว่าเป็นภาษาไทยนักเรียนนิสิตนักศึกษาเดนนี่จะต้องมีการเล่นกิฬากันฉันกีฬากีฬา ถ้าเรารู้จักเล่นกีฬาทางจิตคือกีฬาสมาธิภาษาบาลีว่าชาณกีฬากีฬาแห่งการเพ่งเล่นในการเพ่งพวงง่ายเล่นในการเพ่งนักบวชเอืี่ลือสีฉีภไยในป่านในเขาสมัยโบราณนักศิษย์วิทยาธรทั้งหลายเขาก็เล่นกันแบบนี้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 วัละสีชั่วโมงเนี้ยเรากําลังเล่นกีฬากีฬาสมาธิอวชาณนะกีฬากีฬาเล่นในการเพ่งเล่นในการทําจิตให้สม่ําเสมอปกติแต่เราเล่นกันเป็นมุมมูเพื่อแวดล้อมให้แก่กันและ ก, กันอย่างนี้วันนี้มาทําความเข้าใจกับอวชาชานชาน ช, านชกระเซอส อ, สอกระเซอสลอา ชานนะชานะชาญนะไปว่าเพ่งแปว่าเพ่งพเราห้องท่องหลายเขาใจว่า ช, ชาญคือการอยู่นิ่งลงไปในจิตใหม่ขยับพะเยื่นไม่รู้เรื่องหูมไม่ได้ยินเสียงเขา้าชาญ น, นานนับเดินไม่ขยับขยื่นเชื่องกรายาพาสสุกในอุราเป็นสุกทุกขืนวันคำกล่าวนั้นนะที่เราเคยได้ยิน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 จนถึงจะตุดภาชานไม่หายใจอย่างนั้นเลยเรียกว่าชานใหญ่เลยอันนั้นเรียกว่าเข้าชานแต่เราไม่เข้าชานเราไม่ออกจากชานเราจะอยู่ในชานคืออยู่ระหว่างกลางๆไม่เข้าไม่ออกอันนี้ยิ่งเป็นยอดกิรลาแห่งการเพ่งพระพุทธเจา้าท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าสมาธิมานันตริกัญญมะหุสมาธินาเปนสโมโอนวิ ช, ชติติแต่ว่าไม่มีสมาธิใดเสมอเหมือนอานันตริกสมาธิ อันันตะแปลว่าไม่มีช่องว่างไม่มีช่องว่างอิกะประกอบไปด้วยสมาธิไม่มีช่องว่างไม่มีที่สุดหรือจะแยกเป็นตอนเป็นตอนอะันตะอะแปลว่าไม่อันตะเป็นอันันตะไม่หมดอันันตะอันนันตะไม่หมดไม่ถึงที่สุดไม่มีสุดอิกะประกอบด้วยอันันตริกะ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 อย่างในอุเทศวิพังคสูตรแห่งอุปริปนาพระบาลีอุปริปันามัชฌิมานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่ข้อที่หกร้อยสามสิบเก้านะมีข้อความตอนหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาอย่างนี้ภิกขเวภิกขุอุปริเคยยา ย, ยายาญาาสปริคัโต ดูก่อนวิสุทั้งหลายเธอพึงพิจารณาโดยอาการที่พิจารณาอย่างนี้ภยิธาจะสะวิญญาณังอย่าให้จิตนี่ฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกนี่อย่าให้มันออกไปอัชะตังอสันทิตังอย่าให้จิตนี้สงบตั้งมั่นอยู่ภายในนี่ไม่เข้าไม่เข้าไปในฌานอยู่กับฌานอยู่ภายนอกภยิธาจะสะวิญญาณังอวิขิตังอวิสะตัง ไม่อยาให้จิตฟุ้งไปสั้นไปภายนอกต่อมาก็มีควาว่าอัชชตังอันริตังไม่ให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในอ น, นุปาทายะปริตัดเสยยะตัวปริตัดสตออาเจติงชาติงทุกขะฉลามมลณ น, นะโสกปริเทวะทุกขะสมุทยอนะโหติติ เธอทําให้จิตไม่ฟุ้งไปส่านไปภายนอกมาให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นและจะพ้นยากชาติชาราเมลันนาเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงคาพูดนน้อยมีความหมายมากไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมัน่นคือหมายความว่าไม่ยึดมัน่นภายนอกไม่ยึดมัน่นภายในไม่ตั้งมั่นอาจจะตั้งสันติตังอยู่ภายในแน่นเ่ง ไม่เข้าไปในฌานไม่ออกจากฌานคือไม่พุ่งไปแต่อยู่กลางกลางมีสติจอรู้อยู่ทุกเมือ่ออย่างนี้เรียาเป็นยอดกีฬาละจะพ้นจากชาติชาลามรณะนะเดียวนี้เราทําสมาธิเราก็อยากจะรีบเข้าไปภายในให้ลึกๆลึกๆมีอปนาสมาธิหลังจากนั้นเราก็ต้องการจะให้เกิดความสุขมีฤทธิ์มีเดชเข้าไปนมันไปติดกันตรงนน้น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 ทส่คาว่าเข้าชานก็หมายถึงผลของมันผลของมันหมายว่าเพ่งจนได้ที่อยากจะหยุดการเพ่งให้มันอยู่เฉยๆไม่ต้องไปไหนมาไหนไม่ต้องควบมันลิบลงไปนังเข้าไปดับพลึบลงไปรวมพลึบลงไปเป็นเอกังขตังเอกังขตังเอกังระมณังจิตตังไปทางเดียวจิตไปทางเดียววัน้อยเทสเนสพัสสาฝรังก็พูดอย่างนี้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 ภาษาอังกฤษเขาไปกันอย่างนี้ความจริงน่าจะมีคำพิเศษยิ่งกว่า น, นี้เพราะว่าคำนี้มันช้คำว่าเอกาคตาอักขานำไปว่าเลิกตัวันยอดไปว่าแหลมจิตแหลมปดเหมือนยอดอะไรแหลมแหลมไอจิต ช, ชนิดนี้เนี่ยเป็นลิปเป็นเดดเป็นเรเซอร์นั่นคือผลของฌานผลของการเพ่งแล้วบางทีเรียกว่าสมาบัติสมาบัติ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 เขาจำเน่พระพุทธเจ้าของเราท่านได้จำแน่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อันเป็นส่วนรูปฌานคือที่ต้องเพ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งเดวนั่นอย่างเราเพ่งลมหายใจอย่างเงี้ยเพ่งอยู่อย่างนี้แหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ย ความคิดมันก็เกิดหูมันก็ได้ยินตาก็ได้เห็นคิดอดีตบางคิดอนาคตบ้างคิดอะไรก็ช่างมันเราก็รู้อยู่มันก็ดูมันอยนี่ทุกลมหายใจอยูอย่านี้ดูมันเข้ามานอา อ, อย่างนี้เรียกว่ายกจิตนี้เข้ามาเป็นวิตกคือจิตที่ตึกนึกรู้อยู่เฉพาะในลมหายใจนี้เรียกว่าวิตกในขณะเดียวกวันมันก็มีวิจารณ์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 ในขณะเดียวกันความรู้สึกว่าลมหายใจไม่สม่ำเสมอบางทีรูจมูกสองรูรูหนึ่งมันเข้ามากเข้าคล่องอีกรูหนึ่งมันไม่คล่องอีกรูหนึ่งมันไม่คล่องเราก็รู้นี่คือลักษณะหวิจารภาษาบาลีว่ามีวิตกคือรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วก็มีวิจารที่ว่ามันคล่องตรงไห น, นข้างไหนมันหายใจเข่าถนัด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 เราเพอไปหมดลืมไปหมดความเจ็บปวดทุกขวเลาจิตก็เลยลีลงไปละเอียดลงไปเกาะน่วงอยู่ที่ลมหายใจอย่างนี้แล้วมันก็เกิดภาพขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่เรียกว่ามันนิมิตเป็นนิมิตเป็นอิมเมจภ า, าษาฝรั่งเล็กอิมเมจเป็นภาพ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 ดับรวมลงไปไอ้ตรงนี้แหละที่เรียกว่าเอกังรัมณังจิตตังอารมณ์ไปอันเดียวเรียกว่าเป็นเอกคตาจิตเลิศไปทางเดียวอันเลิดอันเลิ ศ, ลศรวมกันเข้าเรียกว่ามีวิตกวิจารณ์ปิตสุขเอกคตาอันนี้เป็นองค์เป็นแฟกเตอร์เป็นองค์ประกอบของความสมบูรณ์ของสมาธิ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 ถ้าจะซื้อหาด้วยเงินด้วยทองเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ซื้อไม่ได้แต่สิ่งนี้เราได้มาฟรีๆไม่ต้องซื้อแล้วก็จะติดใจดื่มดั่งโยกับสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็อยากอีอยากให้มันเป็นอีอยากให้มันมีอีแล้วก็ทําอีถ้ายิ่งอยากมันก็ยิ่งมันเป็นในที่สุดฉลาดอีฉลาดยังไง ฉลาดทําให้มันเกิดโดยวิธีเพ่งลงไปในลมหายใจทําให้มันละเอียดลงละเอียดลงในที่สุดก็สร้างมโนภาพที่เคยเห็นที่มันไหลไปไหลมาที่เคยปรากฏเหน็นนั่นนี่ยที่ในวันนี้มิดโอหันต์มิ ด, าารมดสร้างให้มันติดตาขึ้นมาได้ง่ายขึ้นในที่สุดก็ลอ่ลอลอ้ลอมจิตลงไปสู่ภาพนั้นเป็นอันเดียวก็มานนัน่ในที่สุดก็รวมพึบอืม ก็เป็นอีกอย่างเก่าพันหลังมาที่หลังมาฉลาดขึ้นทีนี้อยากเป็นเวลาใดก็น้อมจิตไปก็เห็นภาพนั้นปรากฏขึ้นแล้วก็รวมพึบลงไปอย่างนี้เลยว่าปลดวิตกอวิจารโดยไม่ต้องไปจัดการกับลมโดยไม่ต้องไปพิจารณาลักษณะอย่างไรมันเป็นเพียงแต่อยากน้อมและอนุทิฏฐาน้อมไปก็เกิดปีติเกิดความสุขและเอกคตาพึบลงไปอย่างนี้ ก็เรีว่ามันเป็นฌานที่สองปลดวิตก ว, วิจารณ์ออกต่อมายากอีกเก่งกว่าเต่าอีกและเรียกร้องหาทุก์เมื่อโดยไม่ต้องไปเพ่งดูอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่อยากแค่นั้นน้อมเจ็บไปก็มีปิติมีสุขอเอกคาตาทีนี้น้อมไปมันไม่มีและอันอื่นมันมีแต่สุข ล, ล้วนๆพร้อมเอกขตาเป็นไปได้ง่ายเป็นฌานที่สาม เมื่อทําอย่างช่ําชองทําอยู่ไม่ขาดทั้งทุกวันทุกวันเข้ามันก็เลยฉลาดที่นี่ไม่ต้องมีปีจิไม่ต้องมีความสุขไม่เอาทั้งสุขไม่เอาทั้งทุกมีแต่เอกคตาจิตเป็นอันเดียวแล้วก็ว่างอุเบกขาและเยดจนแม้กระทั่งลมหายใจไม่มีนลงไปนู่นนี่มันคนละตอนกันอันนี้เรียกว่าจะตุทะชานไม่มีสุขไม่มีทุกปวดสุขออกไปปวดปีติออกไป มีแต่ความว่างเฉยอยู่อย่างนั้นเอโกคตาอย่างนั้นแล้วก็มีอุเบกขาอยู่อย่างนั้นอารมณ์ใดก็ไม่มีอย่างนี้ลึกลงไปจนไม่หายใจไอตอนไม่หายใจมันมีสองตอนตอนแรกเริ่มจะเข้าประสบปทมมชานนี่ก็เหมือนลมหายใจหายไม่มีอันนี้งั้นละเอียดละเอียดความจริงไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ทําไมสร้างมโนภาพอินนจิเนตขึ้นมา ในที่สุดมันก็เลยเป็นเมนทันอิมเมจเป็นภาพในใจไหลไปไหลไปแล้วก็ไปกําหนดจิตดูตัวที่มันไหลไปเหมือนปุยเมฆปุยฝ่ายปุยนุ่นเหมือนแมงคิ้งหอยเหมือนไข่กบไข่เหยียดเหมือนใ่แมงมุมเหมือนเดือนเหมือนดาวเหมือนฟ้าแหลกแหลกปราบก็ดูมันไหลไปไหลมาสร้างอิมเมจเดตตัวนี้ขึ้นมาเมนทันแฟกเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาเมื่อสร้งขึ้มาควบคุมตัวนี้ให้มันใกล้ให้มันไกลให้มันใหญ่ให้มันเล็กไปกวก็พึบลงไปตัวนี้จะต้องเกิด หลังจากช่วงหนึ่งเมื่อลมหายใจเริ่มละเอียดเริ่มไม่มีลมนั้นมันคุณละกันแต่ตัวสุดท้ายต้องการน้อมปั๊บลงมานี่กับจิบว่างเลยเป็นเอกขตาแล้วก็มีอุเบกขาดื่มดำเนื้อไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์อะไรว่างว่างว่า ง, างเป็นจตุทชานสุดเวียงของการเพ่ง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 อืมเป็นฌานที่สองต่อมาเก่งชลาก็มาอีกปลดปีติออกเลือดแต่สุกเอกคตาไปนี่เป็นฌานที่สามต่อมาก็เก่งอีกปลดทั้งสุกทั้งทุกข์ทิ้งไม่เอาเป็นเอกคตาอุเบขาว่างนี่ไปเรียกเป็นฌานที่สี่อันนี้เป็นสมถะให้จิตสงบสงบมากเมื่อสงบมากนี่มันก็มีกำลัง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 หมุนไปช่องไหนก็เห็นนี่เหมือนตาทิพทีนี้มีวิทยุมาเสียบหมุนไปฟังคลื่นจูนคลื่นไปสู่สถานีได้มันได้รับกันมันก็ได้ยินนี่เป็นหูทิพมันทำอะไรได้พิเศษเนื้อมนุษย์ธรรมดาเป็นทิพนั่นแหละทังคลื่นมันก็เล่นอยู่คนเรียวอย่างนี้เป็นกีฬาจะไม่เรียกว่ากีฬาได้อย่างไงเรียกว่าชานะกกีฬากีฬาคือเล่นอยในการเพ่ง คนที่เขาเก่งๆกลางคืนเขาเก่งทางสมถะเขาก็เล่นกับสมาถะกลางคืนเขาไปเที่ยวตัวอยู่นี่แต่จิตนั้นมันไปไกลๆ ไ, ไปไหนไปที่คนอื่นไปไม่ได้ไม่เคยไปออกไปนี่ไหนสวรรค์ น, ร, นรกที่ไหนเขาก็ไปเขาได้แม่เราเองก็ทําได้ถ้าพยายามแต่จะไปอวดชาวบ้านเข้า อ, อแล้วท่านเขาก็ว่าบ้าเพราะเขาไม่เห็นคนตาดี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 แต่จะไปพูดในคนธรรมดาที่เขาไม่มีอํานาจเป็นทิพย์มีจิตอย่างมีเขาฟังไม่ทูกดีไม่ดีเขาพ่านหาวบ้าหาวบ้าไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปรับอาบาัตบาทะปาจิตีมีจริงด้วยวคนอื่นฟังกับปราจิตีเพราะเขาไม่เห็นด้วยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมถะมันไปได้ไกลก็คือมีความสุข แล้วก็มีลิปมีเดตมีอาภิเนหารยานทัศนสนะไม่จิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นมอลอะไรต่างๆมันมีอย่าเคยจะว่ามันไม่มีนะแต่มันพูดกันกับคนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนี่มันพูดกันไม่ได้มันพูดกันไม่ได้มันกนละโลกกันแต่ทั้งนั้นเป็นผลของสมธะเมื่อจิตมีสมาธิมากมีพลังมาก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 เป็นอันตรายก็ได้แต่ทีนี้ถ้าจหลาดก็เอามาใช้ให้มันเกิดแสงสว่างขาจัดความมืดความจริงคนตาบอดเขาไม่เห็นสีทั้งๆที่สีมีอยู่พระอาทิตย์พระจันทร์ก็สว่างเจิดจ้าแต่มันปรากฏเป็นความมืดในตัวเขาเรื่องนี้ฉันได้ก็ฉะนนั้นเรื่องสมาธิมันก็เป็นอย่างนี้ ในการเพ่งอีกแบบนี้เพ่งให้เกิดอย่างนี้ให้เกิดความสุขให้เกิดมีฤทธิ์มีเดชมีาณทัศนปาฏิหารมีเมจิกพาวเวอร์ซูปเปอร์นอมอนเนื้อมนุษย์ธรรมดาในละมิดอะไรต่างๆได้ขึ้นมานสุดแค่นี้แต่มีการเพ่งอีกแบบหนึง่งเพ่งอีกแบบหนึ่งแต่ไม่ได้เพ่งเพื่อให้มีความสุขไม่ได้เพ่งไปให้มีฤทธิ์มีเดชแต่เพ่งไปให้มีสติสัมปชัญญะ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 สัญญาความสําคัญมั่นหมายจาได้หมายรู้ที่สังสมเอาไว้จึงได้ยเป็นความเคยชินที่จะรู้ว่าอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอันนี้น่ารักอันนี้น่าชัง<___>เกิดมาจากสัญญาบ้างคือความสําคัญมั่นหมายจาได้หมายรู้เอามาคิด<___>เกิดมาจากเวทนาคืออารมณ์ที่เสเวยจนเคยชินว่าสุขว่าทุกพอใจไม่พอใจแล้วเอามาคิดปรุงแต่ง<___>เกิดมาจากวิตก คือความคิดสำเร็จรูปซึ่งมันทำนานมันชินมาเรียกว่าวิตกวิตกในภาษาบาลีก็า่าวิตกวิตกังภาษาไทยว่าตรึกนึกคิดที่สำเร็จรูปกันมาภาษาฝรั่งควรจะใช้เับอกคอนเซปต์คอนเซปชัตัวคอนเซปชันนี้เพราะนั้นเราจะเห็นปรากฏการเบื้องหลังปรากฏการของความคิด ทั้งหลายแหละที่มันเกิดดับเกิดดับในใจมันเกิดมาจากคอนเซปชันบางมาจากเฟลลิ่งบางที่เรียกว่าเวทนามาจากเพอร์เซพชันคือตัวสัญญาบ้างไม่รู้จะพูดยังไงเอามันไล่ไล่คำพูดมันยิ่งจะเข้าใจอย่างนี้ราก็จะเห็นเห็นความคิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้ และก็เห็นว่าทั้งฟ i l l i n g ทั้ง conception perception ทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งวิตกที่เอามารวมกันเป็นความคิดเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะนี้มันตกอยู่ใต้กดอันหนึ่งคือเถียงไม่ได้กดอันนั้นก็คืออันนี้จังไม่เที่ยงทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งวิตกทั้งส่วนจะเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไป เพราะงั้นนั้นมันก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ได้ถูกบีบถูกคั้นด้วยเหตุ ป, จปัจจัยปรุงแต่งภาษาบาลีว่าทุกทุก suffering sufferingness เพลินอะไรต่างๆวันนี้หลังจากนั้นก็เห็นเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้เบื้องหลังของอนิจจังเบื้องหลังของเวทนาสัญญาวิตกว่ามันมีอนิจจังทุกครั้งอนัตตาจำกับการแสดงการปรากฏเกิดขึ้นของมัน